บุกทูสิบหกเรือดูและอากาศนี่คือหรือดูเ ร, รือดูใบไม้ผลิรือดูร้อน ว на, ันฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวฤดูร้อนอากาศร้อนพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่นฤดูหนาวอากาศหนาว а, ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก ку, น х, ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน Взимку залишаємося ми охоче วิ่งซิมค о เมื่อหิวขึ้นจะออุ่บแดดจัด ท้องฟ้าโปร่งยาสโนวันนี้อากาศเป็นอย่างไร гоda วันนี้อากาศหนาว с ь นนี้อากาศอบอุวันนี้อากาศอบอุน่น